ประมวลธรรมเทศนาเล่มสองของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชวรวบรวมโดยรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสายพานิชและคณะจัดทำเป็นหนังสือเสียงในระบบเดซี่เอ็นซซโอลี่โดยห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2552จําจำนวน459หหน้าอ่านโดยปิยมาศเปาอิน